ขอ น, นอบน้อมพระรถนาัยขอาการหลงพอง่อ ร, รงสุขพระญา์ทรงศีลแล้วก็เพื่อสระธรรมิทุกท่านเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ยาติธรรมทุกคน<อ>ก็กลับมาเจอกันที่วัดป่าสุขโตเนาะพวกเราบางคนก็เพิ่งมาเนะาะติธรรมเก่า กลับมาในช่วงวันหยุดในหลายวันนะบางคนก็ เ, เวลาวันหยุดนะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะแต่เราเอาเวลาวันหยุดมาปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมนะมาอยู่วัดมาฝึกหัดตัวเองนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเนาะเพราะว่าคารวะญาติโยมมีเรียว่าเป็นผู้ที่มีพันธะมีภาระมากมายเรื่องการงานบ้างเรื่องครอบครัวบ้าง ในช่วงมีวันหยุดก็ช่วยโอกาสตอนนี้นะในการฝึกหัดจิตใจนะก็เป็นเรื่องที่น้าอนุอนโมทนาเหมือนกับหลายท่านนะหลายท่านที่มาบวชเป็นพระในช่วงเข้าพรรษาหรือเป็นแม่ชีม า, มาใหม่ก็ดีมาเก่าก็ดีเนาะถือว่าก็เหมือนกับคาราชาญาติโยมแหละแต่เพียงแต่ว่าพวกเราก็มีเวลามากกว่าญาติโยมนะนะนิดนึงนะที่จริ ง, รงมีเวลาเท่ากัน แต่เพีนงว่าเราเอาเวลาตอนนี้ไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องกับการงานเรื่องภายนอกมากมายนะเอาเวลาตอนนี้มาเพื่อฝึกหัดจิตใจโดยตรงนะแม้จะมีงานบางอย่างเช่นแม่ครัวแม่ชีทำอาหารหรือว่าดูแลสถานที่ต่างๆก็ให้ถือว่าเป็นงานในการฝึกหัดจิตใจของเรานะหรือพระบางทีอย่างช่วงนี้มีกิจกรรมในการทำความสะอาดทอะไรต่างๆหลายอย่างเหมือนกันนะ เหนเป็นกรรมกรเหมือนเป็นพระก่อสร้างบ้างเนี่ยก็ถือว่าให้อาศัยงานตรงนั้นเป็นฐานในการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันญาติโยมก็เช่นเดียวกันเนาะอยู่ในที่งานที่ทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าที่วัดที่จริงก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่าเราปฏิบัติที่ตําไหนเราปฏิบัติที่กายแล้วก็ที่ใจนะเพราะว่าไปอยู่ที่ไหนทําอะไรก็มีกายแล้วก็มีใจนั่นแหละทําไปด้วยนะใช่ไหม นั้นทุกที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมทุกการงานมันเกี่ยวข้องด้วยกายและเกี่ยวข้องด้วยใจทั้งนั้นเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นนะแต่ถ้าเราเลือกสถานที่นะหรือว่ารอเวลาเนี่ยมันจะไม่ได้ปฏิบัติเลยนะถ้าเวลาเราต้องเกี่ยวข้องกับการงานแล้วเราคิดถึงวัดคิดถึงที่เดินจงกลมคิดถึงเวลานั่งสมาธิเวลายกมือใจเรารอแต่อนาคตรอแต่การปฏิบัติธรรมในอนาคตนะ ใจมันลอยไปทุกทีนะแม้สิ่งที่เรารอสิ่งที่เราคอยเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่เราก็ดื่มว่าโอ้ที่จริงเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ในปัจจุบันเนาะตอนคิดทิที่คิดถึงเรื่องธรรมะคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆอ้อเรารู้สึกตัวตรงนั้นทันทีเลยไม่ต้องรอคอยโอกาสที่ไหนไม่ต้องรอมาที่วัดไม่ต้องรอมาบวชก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่การมาบวชนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ การมาบวชนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราได้ฝึกหัดจิตใจโดยตร ง, ตรงจะเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีหรือหลายคนตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยาวๆก็ดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ า, าโลกนี้น้ํามันชวนให้คนมันโลงมากมายเลยหลงอะไรหลงในการห า, าหาสิ่งที่ไม่เคยพอเคยพอไหมาห า, าหาเงินหาทอง นะอันนี้เป็นเรื่องวัตถุภายนอกเพื่อไปซื้อวัตถุภายนอกอได้เงินได้ทองมาบางทีก็ไปหาเนาะชื่อเสียงเกียรติยศนะมีเงินมีทองแล้วยังไม่พอนะต้องมีคนชมต้องมีเกียรติยศมีโลมีสิ่งสนรเสริ ญ, ญเย น, นยอต่างๆถึงจะเพิ่มความสุขเข้าไปมากขึ้นหรือบางทีมีแค่นี้ก็ยังไม่พอต้องหาอานาจนะต้องให้มีอานาจนะ อำนาจที่จะทำนั่นทำนี่ต้องให้มีคนนับหน้าถือตาแลนะมันไม่เคยพอนะโรคนี้ไม่เคยพอจากความอยากของมนุษย์นะแต่มันจะพอได้ถ้าเรารู้จักว่าอ้อสิ่งต่างๆหรือสิ่งบางอย่างมาันเป็นเพียงแค่ของเอามาใช้ให้ได้มีชีวิตอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะเราหาเงินหาทองมีการมีงานก็เพื่อให้ได้ใช้ำดำรงอยู่ได้เท่านั้น มีปัจจัยสี่หรือมีปัจจัยอย่างอื่นเพิ่มเติมก็เพียงเพื่อให้ได้พอได้ใช้เท่านั้นไม่ต้องหามากมายถ้าเรารู้จักคิดแบบนี้นะหรือวางใจแบบนี้นะชีวิตของเราจะวุ่นวายน้อยลงไปมากมายเลยนะลองตระหนักดูก็ได้นะมีมีเงินแค่นี้พอไหมมีของแค่นี้พอไหมมีเสื้อผ้าแค่นี้พอหรือเปล่าเออถ้าเรารู้สึกโอ้แค่นี้มันก็พอเนาะมันจะทาให้จิตใจเรา ขวัขวายในการหาสิ่งภายนอกน้อยลงไปมากอย่างตัวอย่างพระตัวอย่างชีมเนี่ยเจี๊ยมีสามพื้นชุดไม่ชีมไม่อาจจะมีไม่กี่ชุดเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องมีมากมายเหมือนกันคารวะก็สามารถเอาไปใช้ก็ได้อ๋อเสื้อผ้าเราก็มีอยู่แล้วกระเป๋าก็มีอยู่แล้วรองเท้าก็มีอยู่แล้วใช้ให้มันพังไปก่อนค่อยหาใหม่ดีกว่าไหมอะไรนะถ้าเรารู้จักเรียกว่าใช้ปัจจัยสี่ เพียงเพื่อการอยู่ได้แหง่อกายนี้นะมันจะมีเวลาอื่นที่เหลือให้เราได้มาฝึกหัดจิตใจโดยตรงมากเลยนะไม่ต้องไปขวนขายเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชื่อเสียงกิจยศเรื่องอำนาจเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วก็ใช้มันไปเนาะมันก็ใช้มันไปแต่ใช้อย่างรู้เท่าทันนะนะเพราะว่าโรคธรรมายบวกนี่นะนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนติดคนนงมันย้อม ทำให้คนพอใจอยู่กับโลกใบนี้นะโลกกระทำไฟบวกทําให้คนอยากจะอยู่กับโลกใบนี้เพราะว่าอะไรมีเงินก็สามารถซื้อความสุขบางอย่างได้มีชื่อเสียงเกียรติยศก็รู้สึกอิ่มใจสุขใจเมื่อมีคนชมนะเมื่อได้คําชมเมื่อได้สิ่งที่ดีๆทําให้คนรู้สึกโอ้โลกใบนี้มันน่าอยู่นะมีแต่คนรักเรามีคนสนับสนุนเราอ่ามีแต่อะไรก็ เราเดาทั้งนั้นนะพอได้โรคธรรมไฟบวกก็อยากให้มันอยู่นานๆอยากให้มันมีมากๆนะเคยเป็นไหมนะที่จริงไม่ใช่แต่ถนอคว่าเนาะไม่แต่พระก็ดีไม่ขีก็ดีก็อาจจะเจอเหมือนกันนะโรคธรรมไฟบวกมีมากมายเราหลงไปยึดมันหรือเปล่ายึดชื่อเสียงเกียรติยศสร้างอัตตามนะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องได้ก็คอยหมั่นฝึกฝึกเตือนฝึกดูตัวเอง โรคกรรทฝ่ายลบนี่มันมีแน่นอนแหะนะความเสื่อมราบบ้างนินทาบ้างนะไอ้ต่างๆมันเจอนะโรกกระทำนี้ต้องเจอทุกคนไม่ใช่ไรมบางคนคิดว่ามาเบื่เป็นพระเบว่เป็นชีจะไม่เจอโรคกระทฝ่ายลบนะไม่ไม่มีมีเหมือนกันโรคกระทฝ่ายบวกก็มีเหมือนกันนะมีทั้งสองด้านเพราะมันเป็นของคู่กับโรคใบนี้ แต่หลักสำคัญคือเราจะวางใจอย่างไรในการอยู่กับสิ่งต่างๆเ่านี้เราต้องอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องในการประกอบในการวางใจให้เราอยู่กับโรคใบนี้ได้อย่างใจที่ไม่กระเทือนนะเพราะคนเราต่างๆมันกระเทือนมากเพราะโรคมันกระทำกับเราเราปล่อยให้โรคกระทาย่ายีมามากมายนะทำให้เราติดอยู่กับโรคใบนี้แล้วก็ยังบางคนติดกับโรคใบนี้ก็ไม่พอนะ หวังจะไปติดกับโลกใบหน้าก็มีนะทำบุญทำทานทำความดีก็ขอให้ได้สวรรค์นะได้พรมโรคเป็นเป้าหมายก็ยังมันก็ถามว่าดีไหมก็ดีแต่ดีแบบคนเข้าไปติดไปยึดไปเห็นสิ่งที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นทุกข์ว่ามันดีเนี่ยมันก็เสื่อมเหมือนกันเนาะนะเป็นพรมเป็น เทวดาเป็นนางฟ้าก็ต้องกลับมากลับมาเวียนไหวใจเกิดเช่นเดียวกันถ้าเรายังไม่ตั้งเป้าหมายของชีวิตให้เราชัดเจนเนาะเราจะวนเวียนอยู่กับพบนี้พบทั้งสามนะกำเนิดทั้งสี่ะแล้วก็มีขันห้าขันบ้างมีขันสี่ขันบ้างมีขันขันเดียวบ้างวนเวียนอยู่แบบนี้มากมายมิสักเท่าไหร่แต่การกลับมาศึกษาปฏิบัติธรรมกลับมาเพื่อให้เห็นขันทั้งห้า มาเป็นตัวทุกข์เห็นไหมรูปนี้มันเป็นทุกข์อย่างไรดูลงไปเลยนะรูปนี้มันสุขตรงไหนมันมีความสุขไหมรูปใบนี้ไม่มีนะรูปเนี่ยมันแสดงแต่ความทุกข์ด้วนนะเจ็บไข้ได้ปวดเจ็บไข้ได้ปวยนะหิวหายใจเข้าหายใจออกกินน้ำขับถ่ายมาแสดงแต่ความทุกข์นะแสดงชัดๆเลยนะ เรายังอยากจะมีรูปต่อไปอีกพบหน้าหรือเปล่าถ้าดูจริงๆนะโอ้ยนี่ถ้าเราเห็นรูปใบนี้นะเป็นตัวทุกข์มันจะไม่อยากเอารูปนี้อีกเลยแต่เมื่อมันมีรูปอยู่มันก็ต้องรักษารูปไว้นะรักษารูปไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราดูดีๆรูปนี้มันสุขหรือมันทุกข์มันสุขที่ตรงไหนรูปใบนี้นะเราก็ไปคิดว่าจะหาความสุขให้กับรูปอันนี้ให้มันได้ ในการดูหนังฟังเพลงในการหาที่กินในการเสพสิ่งต่างๆคิดว่าทำสิ่งต่างๆนี้จะทำให้ลูกมันมีความสุขดูไปเ<ๆ>ถอะลู้มันมีไหมเมื่อมันสมอยากมันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวความสุขแบบถ้าภาษาไม่ดูนะความสุขแบบหยบหยาบมากนะนะความสุขแบบหยบหยาบมากา ม, มันไม่สุขอะไรมากมายหรอกแต่ความสุขมันก็ไม่อยู่ตลอดไปหรอกนะ ยิ่งถ้าเราคิดจะยึดความสุ k นั้นให้เกิดตลอดไปนะเราก็วางใจไว้ผิดแล้วมันก็กลายเป็นความทุกข์นี่แหละความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ทันทีเราเห็นไหมรูปใบนี้มันเป็นอย่างไรดูลงไปเลยนะรูปมันเป็นทุกข์อย่างไรมันมีความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างไรบ้างมันบังคับบัญชาได้หรือเปล่านะมันอยู่ในอำนาจบังคับของเราไหมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้ใช่หรือเปล่า ดูให้เห็นรูปเป็นแบบนี้นะการยกมือสร้างจังหวะก็ดีการเดินจงกงมก็ดีการปฏิบัติทำวิธีไหนก็ดีเพื่อให้เห็นกองทุกของรูป<น>นะเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปเพื่อเห็นอาการที่บังคับไม่ได้เป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยกำหนดไม่ได้ของรูปเ น, นี่ยการมาดูการเคลื่อนไหวของกายกกเพื่อให้เห็นตรงนี้แหละเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับรูปนะ สุขเวทนากับอมาสสุขกับว่ากับความเฉยๆของเวทนาของกายเวทนาขอ ง, ของกาย<ใ>นขขเนนะี่ยไม่มีสุขเวทนานะมีแต่เฉยๆกับทุกข์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเวทนาของใจนะถึงจะมีมีสุขเวทนาบ้างเนี่ยถ้าเราดูเห็นรูปมันเป็นแบบนี้นะมันจะปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้ในสังขารในกายตรง น, นี้ได้อ๋อจิตมันก็ไม่ยึดว่ารูปนี้เป็นของเรานะ มันเห็นว่ารูปนี้เป็นของธรรมชาติเป็นธาตุสี่ขันห้ามาประกอบกันชั่วข่าวเท่านั้นแล้วอีกอย่างนึงที่เรามาศึกษาคือเรื่องของใจนะกลับมาศึกษาเรื่องใจเรื่องนามธรรมนะมาดูมาดูใจนะมาดูใจตัวเองนี่แหละศึกษาในการกลับมาดูใจตัวเองบ่อยๆเห็นใจตัวเองเป็นอย่างไรนะมันเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หน หลายพันหลายหมื่นหนนะวันหนึ่งถ้าเรามีสติดีๆจะเห็นแม้แต่ความคิดตัวเองที่วันนี้ยึดมั่นแบบนี้นะมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้สังเกต ก, ก็ได้ความคิดนะเมื่อวันเมื่อวา น, นกับความคิดวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ที่จริงความคิดในวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปสารพัดมากมายเช่นเดียวกันเราเคยไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไปเถียงกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่านะ ทะเลาะกัคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเอาถูกเอาผิดด้วยกันหรือเปล่าน่ะไอ้ถึงต่างๆนี้นะมันเรียกว่าทําให้ใจเราไหวน่ะทำให้ใจเราเสียความเป็นปกตินะเหมือนอย่างมีตัวอย่างหนึ่งนะท่านเวลายังเป็นพระจีนนะซึ่งเป็นตอนนั้นท่านยังไม่บวชนะท่านเดินทางเข้ามาเมืองกวางโจนะกลับมาออกจากป่านะหลังจากที่บรรทุธรรมแล้วก็หนี หนีคนตามล่านะจะมาแย่งบาทแย่งจีวรไปอยู่ในป่า1ิบห้าปีออกมาจากป่าไปวัดแห่งหนึ่งพอดีวัดตรงนั้นก็มีการเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าเทศสองธราารมะาานะให้อาจารย์เก่ ง, กงสองคนมาพุทชาวิปทานานะมาต่อโต้ธรรมะกันก็มีกระทู้อันหนึ่งนะกระทูยกตัวอยา่างธงมันปิวสวัยนะ ได้ดมมันพัดนะก็มีกระทู้ถามกันว่าทำไมเหตุธงใบนี้ถึงไหวฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเพราะมันมีธงนะมันถึงไหวอีกฝ่ายหนึ่งว่าเพราะมีลมมันถึงไหวเถียงกันเอาชนะเอาถูกเอาผิดกันเนิ่นนานอ้างเหตุอ้างผลอ้างความชอบทำอ้างหลักการต่างๆไม่มีใครยอมใคร ท่านเวรีรังนั่งฟังสักคู่หนึ่งก็ลุกขึ้นพูดว่าใจของท่านทั้งสองน่ะไหวไปนะไหวอะไรไหวไปเอาถูกไหวไปเอาผิดนะไหวไปเอาชอบไหวไปเอาไม่ชอบนะไหวไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นไหวไปอยากเอาการแข่งขันการเอาชนะกันนี่แหละใจตัวเองมันไหวไปไม่กลับมาดูนะกลับไป ลงกับความคิดที่จะเอาชนะนะหลงไปกับเหตุกับผลของตัวเองเนี่ยความไหวไปของเราเนี่ยเราเคยกลับมาดูรึเปล่ามันไหวไปไหมนะไม่ต้องไปดูคนอื่นนะกลับมาดูตัวเองบ่อยเห็นใจมันไหวไปบ่อยบ่อยนะใจที่มันไหวไปบ่อยบ่อยทางตาบ้างนะทางหูบ้างนะตาเห็นรูปรูปนี้มีความจำได้ว่าโอ้มันสวยมันหล่อนะ ไปยึดว่าชอบยึดว่าไม่ชอบอะไรต่างอันนี้นะเสียงนี้นมันเพราะเสียงนี้ไม่เพราะคำพูดแบบนี้มันดีนคำพูดแบบนี้ไม่ดีนะนะอะไรต่างก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาถูกก็ผิดกับคำพูดของคนอื่นเอามาเป็นทุกข์บ้างเอามาเป็นสุขบ้างเป็นกันไหมเนาะก็เป็นกันทุกคนนั่นแหละนะสัปปุตชนธรรมดาคนก็เป็นธรรมดาทางรินอาหาร อยู่ที่บ้านเคยกินอย่างนั้นอย่างนี้มาอยู่ที่วัดอทําไมไม่ควัวทาแบบนั้นแบบนี้ทํำไมไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ก็มาตําหนิตีเตียนกันไปไม่เห็นว่าใจตัวเองมันไหวไปไหวไปกับรสชาติของอาหารไปกับความคิดความชอบของตัวเองกลับมาเห็นกายสัมผัสเป็นอย่างไรโอ้ยยุกมันเยอะมันหนาวไปมันร้อนไปอะไรต่างๆที่นอนไม่นุ่ม น้ำไม่อุ่นอะไรต่างๆก็มาคิดนึกปรุงแต่งกันไปเคยเป็นกันไหมนะเราก็กลับมาดูอ๋อเรามายึดความสุขของกายมายึดความทุกข์ของกายมาเป็นตัวเป็นตนเอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดมากมายแต่ที่มันไหวไปบ่อยๆนะใจเราเนี่แหละที่คิดนึกปรุงแต่งะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดในปัจจุบันที่มันต่อจากตาหูจมูกลิ้นกายมันต่อมาสัมพันธ์กับใจก็มี หรือใจมันผุดขึ้นมาของมันเองก็มีเนี่ยเรากลับมาดูใจเราที่มันไหวไปกับอารมณ์ต่างๆถ้าเรากลับมาเห็นนะใจที่ไหวไปกับอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดแล้วก็ดับนะบังคับไม่ได้แต่มันมีเหตุมีปัจจัยมีปัจจัยมีเหตุเพราะเหตุคืออะไรเพราะยังมีความหลงอยู่มีอายตนะภายในและภายนอกมันกระทบกันเกิดพัสสะ เกิดวิญญาณการรับรู้นะเกิดเวทนาสุขทุกข์ชอบไม่ชอบนะไปยึดมั่นสาคัญที่ต่างนะเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้นะในขั้นการฝึกมันเป็นของมันเองเพราะเป็นอัตโนมัติแต่เราฝึกเพื่อให้มันรู้ทันมันเร็วๆนะไม่ใช่ไปเอ้ยไม่ไม่อยากให้มันเกิดนะไม่อยากให้มันเกิดเลยอารมณ์ไม่ดีถึงไม่ดีไม่อยากให้มันโกรธเลย ไม่อยากให้มันโลภเลยไม่อยากให้มันหลงเลยบังคับไม่ได้เพราะมันยังมีต้นทุนของความไม่รู้อยู่นะไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจไม่รู้ความจริงนะสี่ประการมันยังมีตรงนี้เป็นต้นทุนอยู่ก็ทำให้เราต้องเวียนว่ายต้องทุกข์ต้องหลงไปแต่ที่เราฝึกสติเพื่อให้รู้ทันความหลงของจิตของเราให้มันเร็วนี่แหละสติเนี่ยจะเป็นตัวตัดนะเป็นตัวตัดเป็นตัวบรรเทาทาให้ความหลง มันน้อยมันสั้นลงไปนะในขั้นการปฏิบัติมันยังไม่สามารถละความหลงได้หรอกนะแต่เราทำหน้าที่เพียงแค่รู้ทันความหลงเมื่อรู้ทันความหลงมันดับความหลงได้ชั่วคราวมามันดับความหลงได้ชั่วคราวดับได้ชั่วขณะนะก็เกิดการปล่อยวางเกิดความไม่ทุกข์ในชั่วขณะนะแต่มันก็มีความหลงใหม่ก็รู้ทันมันใหม่นะจะหลงในทางที่ชอบก็ดีนะหลงในทางที่ ไม่ชอบก็ดีก็หลงเหมือนกันนะรู้ทันมันเหมือนกันนะแต่บางทีนักปฏิบัติธรรมนะบางทีไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยปฏิเสธได้เร็วรู้ทันได้เร็วเช่นความโกรธเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายมากมันหยาบความความโกรธคือความไม่พอใจบ้างความหงุดหงิดบ้างนะไอ้ต่างๆมันจะเห็นได้ง่ายเห็นได้เร็วนะวันวันหนึ่งสังเกตเถอะใครว่าตัวเองไม่ขี้โกรธมาไม่เชื่อนะนะขี้โกรธทั้งนั้นแหละนะแต่จะเห็นหรือเปล่านะ จะโกรธมากกก่าน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นพอใจไม่พอใจนะได้ยินเสียงพอใจไม่พอใจเป็นประจำบางทีมันก็เพื่อมนิดหนึ่งนะถ้าเรามีสติเร็วนะมันจะเห็นจิตที่มันกระเพื่มนะจิตที่มันกระเพื่มนะเราก็เห็นอ๋อกระเพื่อมแล้วกับสิ่งที่เห็นกระเพิ่มแล้วกับสิ่งที่ได้ยินกระเพิ่มแล้วกับอดีตกับอนาคตนะเห็นล้ออมันเป็นแบบนี้นะบังคับไม่ได้ แต่รู้ทันมันเดี๋ยวๆก็พอเนี่ยเห็นความโกรธให้มันเร็วๆนะต่อไปก็จะเห็นนะราคะนะราคะมันจะมันจะละเอียดละเอียดกว่าความโกรธนะราคะมันเป็นเรียกว่าเป็นกิเลสซึ่งขนาดการก็บ้าได้นะราคะมันก็คือความยินดีแหละเช่นสมมุติความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันเกิดความดีใจเกิดความภูมิใจเกิดความพอใจ ันนั้นแหละก็ราคะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาโอ้ยชอบนัเป็นราคะทั้งนั้นนะราคะในทางที่ตั้งแต่หยาบๆจนถึงละเอียดมันก็มีมากมายนะราคะในรูปประพรมอรูปประพรมในชานะมันมีเหมือนกันแหละนะมันเราก็สังเกตดูทันมันนะบังคับไม่ได้เช่นเดียวกันมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็ได้เกิดขึ้นของมันเองอ้อก็ดูดูทันมัน ความหลงนี่โอ้ยิ่งละเอียดนะหลงเพราะไม่รู้นะไม่รู้ความจริงหลายๆอย่างนะหลงเพราะสําคัญยึดว่าตัวเองรู้ก็มีเนี่ยมมันีความหลงมีมากมายแต่หลงที่สําคัญที่สุดคือหลงคือการไม่รู้อวิชชาคือการไม่รู้ความจริงนะไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ต้นๆไม่มีสุขตรงไหนเลยนะไม่มีสิ่งที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้เลย อันนี้คือความที่เราไม่รู้ความจริงตรงนี้นะเราก็ฝึกไปให้รู้ความจริงตรงนี้แหละนะอาตมาก็ไม่ใด้พูดว่าอาตมารู้ทั้งหมดนะนะก็เราก็ต้องฝึกตรงนี้เหมือนกันนะฝึกเพื่อจะรู้ความจริงนี้ให้มันชัดชัดแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกอย่างไรนะมันเป็นทุกตรงไหนมันเป็นทุกเพราะอะไรนะฝึกให้เห็นรู้ทุกมันจะรู้สาเหตุของความทุกขมันจะได้ที่สาเหตุของความทุกขนะ รู้ทันตรงไหนละได้ตรงไหนมันค่อยๆถอนค่อยๆละของมันไปโอ้มันจะเริ่มเห็นความอยากนี่เองเนาะอยากนะอยากทางกามนะกามในที่นี้ไม่ใช่แค่เหมือนกามที่พวกเราเข้าใจแต่กามมันคือการพอใจในในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นอันเนี้ยเป็นความอยากทางนั้นอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรก็เป็นความอยาก อยากจะไม่ได้อยากจะไม่มีอยากจะไม่เป็นอยากจะไม่ประสบอะไรก็เป็นความอยากเหมือนกันมันจะค่อยรู้ทันความอยากถอนความอยากออกไปได้ใจก็เบาลงไปเรื่อยๆถอนได้มากใจก็เบาได้มากยึดยังยึดความอยากอยู่ก็ทุกข์มากอยู่ลองดูที่ดีเถอะนะความอยากนี่แหละเป็นสาเหตุทำให้เราทุกข์นะแม้อยากจะบรรนุธรรมนะหน้าดำขมขีดปฏิบัติธรรมนะสังเกตดูเถอะมันทุกข์ไหมอ่ ตอนที่ตั้งใจจะเอามรรคผลนิพพานให้ได้นะจะเป็นนั่นเป็นนี่ให้ได้เนี่ยมันทุกข์หรือมันสบายนะมันทุกข์หรือวามันเฉยนะดูเถอะนะถ้าทำแบบนี้มันมีทาด้วยความอยากมันทุกข์ไหมสังเกตด้วยเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทำนะแต่ทำแบบไหนทำแบบไม่อยากทำแบบไหนถึงจะวางความอยากได้เนี่ยต้องฟักต้องทำแบบนี้นะไม่ใช่ว่าการไม่ทำเลยถึงจะดีไม่ใช่นะ บางคนบางที่ก็สอนไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวมันเป็นเองนะจะเป็นเองได้หรือเปล่าเดี๋ยก็ไม่ดูนะนะถ้าไม่เป๊ะถ้าไม่ทําอะไรเลยนะสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยมันก็คงบรรลุธรรมกันหมดนะเพราะว่าบางทีการไม่ทำนะในฝ่ายกุศลมันก็โดนอกุศลมันลากไปทําเนี่ยเหมือนกันแหละนะเพราะว่าจิตนี้มันไม่ยอมอยู่นิ่งๆหรอกนะ ถ้ากุศลมันไม่มาครอบครองเอากุศลมันก็มาครอบครองเช่นเดียวกันนั่นเราต้องรู้ทันมันให้มันเร็วๆแล้วก็ละละความอยากทั้งสามด้านให้มันได้นความดับทุกข์การดําเดินถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริงมันก็ดําเนินของมันพร้อมๆกันในทุกขณะตรงนั้นแหละนี่ยคือเรื่องการปฏิบัติธรรมล้วนๆนะเรื่องของชีวิตเรื่องของจิตของใจของกายของเราทั้งนั้นน่ะ เราที่มาได้บวชแล้วนะก็ให้ให้ภาคเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะเข้าพรรษากันนะเข้าพรรษาก็เหมือนกับเด็กนักเรียนเข้าโรงเรียนเนาะตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนเรียนรู้ในการฝึกหัดพัฒนาจิตใจของเรานี่ยแหละเป็นหน้าที่หลักเลยนะหน้าที่หลักงานยังบงานหลายอย่างให้วางไปซะนะที่วางได้นะแต่ถ้างานที่ต้องเกี่ยวข้องกับส่วนรวมต้อง เกี่ยวกับกระหมูคณะก็ต้องช่วยกันนะเราไม่ได้มีกรรมกรไม่ได้มีพาลงนํามาช่วยนะไม่ใช่ว่าฉันจะมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่กันในสังคมของสมณะของนักบวชต้องช่วยกันเพราะว่าไม่ใช่เป็นเจ้าเป็นนายนะมาถือตัวถือตนไม่ได้หรอกยิ่งทําสิ่งที่เหมือนถ้าทางโลกเขาดูเป็นงานต่ํานะกับยิ่งลดตัวตนไปได้เยอะนะ ถ้าไม่ไปยึดอีกทีนะบางทีกวาดใบไม้เก็บขยะทำความสะอาดต่างๆนโอ้ยบางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาต้องมาทำงานแบบนี้เหรอเป็นพระมาแล้วต้องมาทำแบบนี้เหรอทำแบบนี้แหละเพราะว่ามันเดียนมาสะสมอัตตาสะสมมานะสะสมตัวตนมาเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นดอกเตอร์ยิ่งต้องมาทำแบบนี้นะเพราะอะไร อยู่ในสังคมภายนอกมีแคนยกย่องนะคุณหมออาจารย์คนรวยก็มีคนยกย่องมันยิ่งสะสมตัวตนตัวเองขึ้นไปยิ่งต้องมาทําแบบเนี้ให้มันลดอัตรามานะตัวเองลงไปเป็นคนทํางานบริการบ้างนะเป็นคนทํางานรับใช้บ้างนะมันจะได้ลดอัตราตัวตนลงไปนะแต่ก็ไม่ไปยึดว่าโอ้เราทําเราทําความดีนะแล้วก็ไปยึดไว้นะนะ เราก็ต้องลดฝึกหัดตรงนี้ลงไปอย่ยเป็นพระเป็นชีมีอะไรทำที่ดีต่อส่วนรวมเราก็ทำนะแต่ทำไม่ใช่เป็นบวกมุ่นกับการงานทำเพราะเห็นเป็นความจำเป็นต่อส่วนรวมเราก็ทำอันไหนไม่เป็นความจำเป็นแต่เป็นไปเพื่อประดับเป็นไปเพื่อตกแต่งเป็นไปเพื่ออวดนะเราก็ไม่ทำนั่นก็แค่นั้นนะก็เนี่ยเป็นหลักในการฝึกหัดญาติโยมก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะทาที่วัดก็ได้ ทำที่บ้านที่ทํางานก็ได้ดูดูเลยว่าถ้าทําอะไรแล้วตัวตนมันน้อยลงอัตตามานะมันฝ่อลงนะการรู้ทันอารมณ์การรู้ทันจิตใจนะการรู้ทันกายมันทําได้บ่อยมันเกิดได้บ่อยเราทำตรงนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมนะจะมาบวชก็ดีไม่ได้บวชก็ดีสามาปฏิบัติได้นะทําแบบนี้แหละนะทําอะไรก็ได้ที่เป็นฝ่ายกุศลทําอะไรก็ได้หรือเป็นเหนือ อกุศลและกุศลก็ยิ่งดีก็ไปใหญ่นะแต่ทริงถ้าเราทำกุศลแล้วก็วางกุศลลงไปมันก็คือการเหนือละนะเหนือสมมุติในความดีเหนือสมมติในการไม่ดีเช่นกันนะเนี่ยคือการปฏิการปฏิบัติธรรมโอ้มันพูดอะไรก็ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นนะนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะแต่ให้เราลองไปทำจริงๆดูนะลองทำแล้วก็จะเชื่อจะมาหรือไม่เชื่อก็เรื่องของโยมนะ เรื่องของพระเรื่องของชีด้วยน ะ, <c oughs> ะก็คือให้เราไปทำํำดูว่ามันเกิดผลกับตัวเองแบบนั้นหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตัวเองก็ดองทํามาเ <c oughs> ช่นเดียวกันนะตอน <c oughs> บวยใหม่ก็มีความคิดเหมือนกันวนะ่าโอ้ยเราเรียนจบมามาตอนนั้น <c oughs> ตักซ่วมเนาะโอ้ยลังเกียดเหมือนกันนะอ่ามาตักซ่วมซ่วมมันเต็มต้องมาตักซ่วมไปทิ้งก็เกิดโอ้ยมาเห็นตัวเองหรือบางวันกว่าดใบไม้อะไรมาทําแบบนี้ทั้งวัน วันเป็นครึ่งชัว่วโมงไปชัว่วโมงอะไรเนี่ยนะมันก็เห็นเคยอยู่ในที่สบายๆไปอยู่ในกุฏิไม่มีไฟอ ย, อยู่กับตุ๊กแกอยู่กับงูอยู่กับหนูมันก็เกิดความกลัวบ้า ง, างเกิดความรังเกียจต่างๆบ้างแต่ถ้าเราอยู่ได้แล้วก็ฝึกหัดยอมรับความจรงิงอ้อมันก็อยู่มันก็อยู่ได้นะดูความกลัวดูความรังเกียจดูการยึดถือตัวตนของตัวเองแแหละอ้อมันสนุกเหมือนกันนะ สนุกกับการอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่คุ้นสนุกในการฝึกหัดจิตใจตัวเองสนุกในการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันเป็นความสนุกนะเป็นความสุขยิ่งถ้าอยู่นานไปเห็นประโยชน์หรือว่าได้ไดทําประโยชน์มากขึ้นยิ่งจะเห็นว่าชีวิตนัก บ, บวชชีวิตของผู้ที่ไม่คลองเรือนเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากนะเกิดประโยชน์ต่อตอนเองมากมายเลยนะ มีเวลาให้กับตนเองมากมายมีเวลาให้กับคนอื่นมากมายเช่นเดียวกันนะมีเวลาให้กับคนอื่นใครจะมาปรึกษาใครจะมาให้ไปซ้อนให้ไปบอกอะไรเราก็มีเวลาไม่ต้องไปอ้างว่ามีงานต้องทำมีภาระครอบครัวมีเรื่องที่ต้องห่วงอะไรต่างๆออมันก็เป็นความเบาความสบายเกิดขึ้นนะยิ่งถ้าเราเห็นประโยชน์ตรงนี้นะนะเราจะ เห็นคุณค่าต้องการเรียกว่ามีชีวิตพรหมจรรย์นะชีวิตพรหมจรรย์ไม่ใช่เพียงแค่การมาโกนหัวมานุ่งผ้าเหลืองนุ่งผ้าขาวเท่านั้นแต่ชีวิตพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติความดีจนกระทั่งถึงที่สุดของพรหมจรรย์นั่นนะแต่เป็นคารวะก็ลองประพฤตินะประพฤติอยู่ในศีลสมาธินะปัญญาในสถานะที่เป็นคารวะก็ได้ลองดูนะ บางทีราคะเรายังละได้ยากก็ละความโลภนะนะที่จริงความโลภนะมันก็อยู่ในหมวดของราคะนะแต่ทำการงานแบบไหนไม่เบียดเบียนคนอื่นมากมายเช่นเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นนักธุรกิจค้าขายแบบไหนจะไม่เอากําไรเกินควรนะแบบนี้ก็เป็นธรรมมาอาชีวะนะการเลี้ยงชีวิตแบบไหนไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่เบียดเบียนทำให้คนอื่นมัวเมาทำให้คนอื่นเขาเสียชีวิตหรือแม้แต่สัตว์อื่นนะได้เดือดร้อนอันนี้เป็นอาชีวะนะสัมมาอาชีวะแล้วก็ทำได้นะมีโอกาสก็ทำบุญทำทานบ้างนะวันนี้ได้อ่านหนังสือได้อ่านผลวิจัยเขาบอกว่าคนไทยนะคนไทยที่ทาบุญตักบาทเขาบอกว่าเป็นประจามีแค่10เปอร์เซ็นตเท่านั้น คนไทยที่เป็นชาวพุทธเขาบอกที่ทาบุญตักบาตรเป็นประจำเนี่ยแค่สิบซที่บอกว่าทำตามโอกาสบ้าง18ดเซนะทำเป็นบางครั้งบางคราวนี่ประมาณ30อซอันนี้แค่การทำที่ง่ายที่สุดคือการทำทานนะยางน้อยมากขนาดนี้นะอันนี้เขาถามเรื่องการทำบุญตักบาตรนะแต่ถ้าเรื่องการปฏิบัติภาวนาเนี่ยยิ่งน้อยลงไปเลยแต่เพื่อนๆเาไม่ได้ทำการสารวจตรงนี้นะแต่มาก็เชื่อว่าคนที่ตั้งใจจะ มาปฏิบัติภาวนาจริงมีไม่มากหรอกดังนั้นพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยนะแต่เป็นคนกลุ่มน้อยที่มีปัญญานะเพราะว่าเห็นไม่ได้เห็นศาสนาเพียงแค่ที่ทําบุญทําทานเท่านั้นนะไม่เห็นศาสนาเป็นเพียงแค่การมาสร้างวัตถุสิ่งของให้มันโตอะไรมากมายเท่านั้นแต่เราเห็นว่าศาสนาที่แท้จริงคือการให้มีที่พึ่งทางจิตใจจะทําอย่างไรให้เรามีที่พึ่งทางจิตใจ การเข้าวัดไม่ใช่มาพึ่งพระนะไม่ใช่มาพึ่งคนอื่นนะแต่เอามาเพื่อฝึกขัดจิตใจให้พึ่งตัวเองได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะบางคนคิดว่ามาอยู่ที่วัดเนี่ยจะมาขอพึ่งครูบาอาจารย์ขอพึ่งหลวงพ่อขอพึ่งอาจารย์ให้ช่วยให้เราดีขึ้นให้มันได้นะมันก็เป็นความคิดที่ถ้าอาจะมาว่ามันก็ถูกน้อยผิดมากนะ การมาพึ่งก็ถูกแล้วนะแต่เราจะทําไงให้ศาสนาได้พึ่งเราบ้างเนี่ยมาว่าต้องลองกลับไปถามตัวเองมั้นะเราทําให้ศาสนาได้เป็นทําเราตัวเองให้เป็นที่พึ่งศาสนาได้หรือเปล่านะจะเอาศาสนามาเป็นที่พึ่งเท่านั้นเราทําตัวเองให้เป็นที่พึ่งของศาสนาได้หรือเปล่านะทําให้พระพุทธเจ้าได้ภูมิใจทําได้ไหมทําให้พระธรรมได้ดํารงอยู่ต่อไปทําได้ไหม ทำให้พระสงฆ์ได้เกิดความปิติปื้มใจที่เห็นนะเราก็คนนึงแหละในการพยายามเดินตามรอยของท่านอยู่เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึงได้หรือเปล่านะพระสงฆ์ทางจิตใจนะก็คือใจที่เข้าถึงพระสงฆ์อย่างแท้จริงจะเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้เป็นผู้สูงอายุก็สามารถเป็นได้เหมือนกันเราเป็นได้ไหม ถ้าเราเป็นแบบนี้ได้นะมันจะเกิดความภูมิใจว่าโอ้เราเป็นแดงหนึ่งแล้วที่ได้พึ่งพบพุทธศาสนาเหมือนกันเหมือนเราเคยเห็นภาพกองร้อธรรมจักไหมแล้วก็มีพระบ้างมีแม่ชีบ้างมีอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันเข็นกองร้อแห่งธรรมตรงนั้นแหะให้มันกระจุยกระจายกิเลส ก, กระจายความโล่งให้มันหมดไปจากโลกนี้ยเราได้เป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นหรือเปล่าส่วนหนึ่งในการ เข็นธรรมะเข้าไปปราบกิเลสหรือเปล่าเข็นธรรมะทีเนี้ยเดี๋ยไปคิดว่าจะต้องไปบอกไปสอนคนอื่นเท่านั้นนะเริ่มจากใจของตัวเองน่ะก่อนดีที่สุดเลยนะสอนใจตัวเองให้มันดีฝึกหัดขัดเกากิเลสในใจตัวเองให้มันออกไปให้มันได้มากสุดนะมันเริ่มที่ตรงนี้เมื่อมีโอกาสได้บอกได้สอนก็ทําไปแบบนั้นเฉยเฉยไม่ได้ทําเพราะว่าความอยากนะไม่ได้ทำเพราะความหลงนะทาเพราะมีเหตุมีปัจจัยต้งเกี่ยวข้องก็ทํา ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกี่ยวข้อ ง, องก็ทำเหมือนกันนะทำตัวอย่าง<ม>นะทำตัวอย่างให้เขาได้ดูได้เห็นบ้างได้สัมผัสบ้างะนะแล้วก็ทำตัวอย่างนี้แหละในวัด ก, ก็ดีในโรงครัวก็ดีกลับไปที่บ้านก็ดีที่ทำงานก็ดีให้มันเห็นว่าคนที่มาสนใจธรรมะเนี่ยมันเย็นแบบนี้สงบแบบนี้ป่อยวางแบบนี้ไม่ใช่โอ้สร้างภาพว่ตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติธรรม แต่ไปอยู่ที่ไหนก็มีใครกล้าเข้าใกล้ไปอยู่ที่ไหนใครก็ตําหนินินทารับรังเพราะว่าทําสิ่งที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเราต้องฝึกหัดจิตใจตัวเองให้เป็นแบบนี้เนาะนะพอจะได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงนะก็ถือว่าโอกาสมาเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนี้แหละนะอาศัยโอกาสวันอาสารหบูชานะวันที่มีการประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรกวันที่เกิดพระสงฆ์ เป็นรูปแรกในโลกนี้เมื่อสอง9้าสบ้าปีนะให้มเป็นวันนี้ของเราด้วยนะวันพรุ่งนี้นะแต่ให้เป็นวันนี้เลยก็ได้ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้นะให้การเข้าพรรษาของพระของชีเป็นการเข้าพรรษาของเราด้วยนะเข้าพรรษาก็คือการตั้งใจฝึกหัดจิตใจตัวเองให้มันเข้มข้นขึ้นนะแต่ไม่ทำเพื่อความเคร่งเครียดเนาะทาด้วยความเข้มข้นไม่ใช่เคร่งเครียดนะเคร่ง เข้มข้นคือเออไอที่เคยย่อนไอที่เคยละเลยไอที่เคยเกียจค้านก็จะได้เอ่อตัดต่งต่างนั้นมากขึ้นให้มีความขยันมีความตั้งใจมีความใส่ใจมากขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้นะถ้าเราทำแบบนี้นะมันจะเป็นนิสัยนิสัยความเคยชินนะแม้ชาตินี้พบนี้มันยังไม่ขาดยังไม่หมดมันก็เป็นความเคยชินของจิตนะที่จะมีเนี่ย จะมีสืบต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นบารามีนะมาฝึกหัดมาสะสมบารามีม า, มาเพิ่มพูนอินทรีย์ให้มันแก่กล้านะเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้ามันจะแปลงเป็นภาระกําลังนะอินทรีย์เป็นส่วนของภายในภาระเป็นส่วนของภายนอกที่จะ เ, เข้าไปประหารกิเลสไปขัดเกลาไปตบล้างความหลงนะเพิ่มพูนอินทรีให้มีภาระแก่กล้าขึ้นนะองค์มรร โพธิปักิยธรรม37ประการมันก็ค่อยๆงอกงามเพิ่มพูนมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ยทำทั้ง37มจเนี้ยมันจะเป็นส่วนประกอบในการที่ว่าประหารกิเลสนะประหารสังโยชน์เข้าถึงมรรคผลนิพพานเนาะนะก็อยากให้พวกเราทุกคนแหละได้ช่วยได้ช่วยกันเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาในฐานะพระในฐานะแม่ชีที่เป็นตัวแทนของพิษุนีก็ดีในฐานะอุบาสก ในฐานะอุบาสิกาบริษัทพุทธบริษัทนะมันเสื่อมมากเลยนะที่ในนีก็เสื่อมไม่ใช่เสื่อมเพราะว่าศาสนาอื่นทำลายนะเสื่อมเพราะกิเลสเนี่ยแหละมันคอยมาจ้องทำลายอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปคิดว่าศาสนาคิดศาสนาอิสตามใครไม่หรือว่าคนอื่นมาจ้องทำลายพุทธศาสนาแต่มาว่าไม่ใช่หรอกนะกิเลสพวกเราเนี่แหละทลายกันเองนะ กิเลสของคนกิเลสของโลกกิเลสของอะไรต่างๆเนี่ยมาทำร้ายพวกเราเองมาป้องกันตวงนีกิเลสนะกิเลสในใจนะของชาวพุทธนี่แหละแล้วก็ช่วยคนทั้งโลกนี่แหละให้มันรู้ทันกิเลสของของเขาเองเนาะจะได้ช่วยให้โลกนี้ม่มีความสุขช่วยทำให้พุทธบริษัทนะจะเดินงอกงามในศีลในธรรมให้เกิดความร่มเย็นแกโลกใบนี้นะ แล้วก็ให้คนอื่นเขาเห็นว่อ๋อโลกใบนี้ที่จริงธรรมะเป็นของสากลเอาไปใช้ได้กับทุกคนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์นะมันไม่ใช่เป็นของเฉพาะพุทธบริษัทหรอกเป็นของสากลเป็นของคนทุกคนเหมือนกับต้นไม้เขาขายออกซิเจนก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เราคนเดียวหรอกไม่ใช่ให้แต่ประเทศไทยเขาก็ลอยไปทั่วฟ้าทั่วอากาศทั้งหมดนะั่นแหละแม่น้ําน้ําฝนที่ตกลงมา หรือน้ำที่ขายจากดีนลงไปนะมันก็ไม่เลือกคนสัตว์อะไรต่างๆเขาก็ให้กับทุกคนเช่นเดียวกันเนาะอันนั้นเราก็มาช่วยกันทำให้พุทธบริษัทของเราเจริญงอกงามเพิ่มขึ้นไปเริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนอื่นด้วยเนาะช่วยกันในปัญสานี้ให้ได้ตั้งใจกันภาวนากันทุกคนนะภาวนาจะถึงชีวิตเราจะหาไม่ยั ให้เห็นธรรมชาติของรูปของนามตามความเป็นจริงนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเห็นให้งตรงนี้แหละมันจะเกิดการปล่อยวางเกิดการยอมรับความจริงกับแล้วก็เกิดการปล่อยวางนะเมื่อปล่อยวางแล้วก็รู้ว่าปล่อยวางนะอันไหนยังวางไม่ได้ก็ยังรู้ว่ายังวางไม่ได้นะค่อยๆเข้าใจศึกษาความทุกข์ค่อยละสาเหตุของความทุกข์ ค่อยๆจะเดินนะความพ้นทุกนะดำเนินนะวิธีการที่จะออกจากความพ้นทุกให้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะนะ <c oughs> ก็ขอให้พวกเรา <c oughs> ทุกคนได้จเจริญในศรรีล <c oughs> ในธรรมยิ่งๆไปจนทั้งก็ถึงมรรคนิพพานเนาะ <c oughs> ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิน <c oughs>